เมื่อวานดลวงพ่อพูดเรื่องการดูกายกเวทนาทางกายก่อนที่เราจะไปดูกายดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อะไรยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูซะก่อนเราต้องแยกกายกับจิตมีคนละส่วน คนละส่วนนะภาษาบาลีคำว่าส่วนนี่คืคําว่าขันนั่นเองคนไทยใช้คําว่าส่วนเป็นส่วนๆเป็นขันอย่าเราจะดูรูปประขันดูกายมีใจเป็นคนดูกายกระใ จ, ใจมันแยกออกจากกันแยกนี่ไม่ใช่แปลว่าถอดจิตออกจากร่างนะบางคน ถอดจิตไปอยู่บนเพดานแล้วก็มองลงมาอันนั้นใช้ไม่ได้มันแย่ในความรู้สึกท่านยังเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูมีอยู่ต่างหากเวลาดูเวทนาในร่างกายก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง นี่พอแยกขันได้แล้วต่อไปก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของขันนะกายนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ เ, เวทนาในกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ในการดูจิตก็เหมือนกันก่อนจะดูจิตได้ก็ต้องแยกขันได้ถ้าไม่เริ่มจากการแยกธาตุแยกขันนะก็ใช้ไม่ได้ เวลาที่เราจะดูจิตใจนคือดูนมามธรรมปฏิบัติธรรมโดยการใช้นมามธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเหมือนกันงัอนหลวงพ่อเขาจะแนะนำว่าที่เราว่าดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่มันดูไม่เป็นหรอกดูไม่ถึงจิตถึงใจจริงจะเป็นหลงในอาการในความปรุงแต่งของจิตมากกว่า นี่ทำไงเราจะหัดดูจิตได้ชำนาญขึ้นขั้นแรกก็ทำเหมือนที่เราถูกกายนะน ะ, น ะ, นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพดใหายใจออกโทอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำกรรมฐานชนิดพวกศิลต่างๆสิลไฟศิลดินศิลน้กสิลนนลมอะไรพวกนี้พวกนี้มันดูออกนอกดูไกลไปมันเป็นตัวรูป เราจะมาดูนามมาทำดูจิตดูใจไปเริ่มต้นที่รูปมัก็ไกลไปเดี๋ยวหลงไปในอารมณ์กสินพวกนั้นเอาแค่พุโทโธพุโทโธไว้ในใจเราแค่นี้ก็พอหรือพุโทโธอย่างเดียวไม่ถนัดนหายใจเข้าพูดหายใจออกโธ ท, ทำไปเรื่อยแต่ทำแล้วไม่ได้ไปดูที่ลมไม่ได้ไปดูที่ร่างกาย ทำแล้วก็วางใจสบายๆนะใช้ใจธรรมดานี้แหละหายใจไปด้วยใจธรรมดานี้แหละในเวลาไม่นา น, นสัญญามื่อก็ทำงานขึ้นมาเช่นมันคิดมันมันนึกถึงหน้าคนคนหนึ่งขึ้นมาเราไม่ได้เจตนา น, นึกเลยอยู่ๆไอ้หน้าคนนี้มันโผล่ขึ้นมาเพราะหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยสังขารมันก็ปรุงต่อ คนนี้เราชอบนะเห็นแล้วก็ชอบจังดีใจเกิดความรู้สึกดีใจขึ้นมาพอใจคนนี้เป็นศัตรูเราเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเกลียดขึ้นมาดนั้นเวลาเราจะดูนมามธรรมเนี่ยเราต้องมีใจเป็นคนดูก่อนขั้นแรกแล้วก็เริ่มต้นอาจจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโรใจเป็นคนรู้อยู่ต่างหาก เป็นคนรู้เห็นมันหายใจเข้าหายใจออกรูปในหายใจเข้าหายใจออกนะดูรูปในกายของตัวเองดีกวไปดูรูปข้างนอกอย่างรูปดินน้ําไฟลมอนะไรพวกนั้นมันไกลไปนะจิตมันอยู่ในกายนะเราดูไม่เกินกายออกไปหายใจเข้าพูหายใจออกโทไป หายใจไปหายใจไปสักพักหนึ่งนะเราจะเห็นนะความจำมันผุดขึ้นมานหรือบางทีความคิดก็ผุดขึ้นมานั่งๆอยู่ความคิดมันผุดขึ้นมาตรงที่ความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยยังไม่ดีไม่ชั่วอะไรหรอก น, นี่เราเข้าไปสำคัญมั่นหมายไปหมายรู้เรื่องราวที่มันคิด ราคาก็เกิดโทสะก็เกิดอะไรยตรงที่หลงไปไม่รู้ก็โมหะมันเกิดนั่นถ้าเราอยากดูจิต ด, ดูใจให้เก่งๆนะอย่ามาลืมตาดูอยู่เงี้เริ่มต้นเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะไม่เก่งจริงหรอกมันดูได้ไม่ละเอียดพอนะเวลาโกรธมันก็เป็นเราโกรธไปนะนี่ถ้าเราหัดนะทํากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งเราเพอมี ความคิดนึกปรุงแต่งอะไรผุดขึ้นมาให้เรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยอย่างเรานั่งภาวนาพาวนาอยู่นะพุโทโธพุโทโธอยู่ทีๆหน้าของคนที่เรารักโผล่ขึ้นมาสัญญามันจำได้มันผุดขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงต่อโอ้นี่คนนี้ดีอย่างน อ, นอย่างนี้น่ารักอย่างโน้นอย่างนี้เรามีใจเป็นคนดู เราก็จะเห็นว่าสังขารหรือสัญญาสังขารอะไรที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่จิตหรอกอย่างเรานั่งนั่งไปแล้วคิดถึงคนนี้ขึ้นมาโทสะก็เกิดไราเห็นเลยเออจิตมันคิดได้เองนะเราไม่ได้เจตนาใจคิดอะไรจิตมันคิดได้เองพอมันคิดแล้วโทสะเกิดโทสะไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้ามันไม่ใช่ตัวจิตเนี่อย่างนี้ก็เรยกพ่าเราแยกขันได้สัญญาขันมันก็ส่วนหนึ่งนะตัวความความจํามันผุดขึ้นมาสังขารขันคือความปรุงดีปรุงชั่วอะไรอย่างนี้ยผุดขึ้นมามันเป็นคนละส่วนคนละขันกับจิตจิตเป็นคนดูเนี่ยฝึกเรื่อยๆไปนะนั่งหายใจไปพุโทโธไป แล้วก็พอสัญญาสังขารอะ้รมันผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันบางทีนั่งนั่งอยู่นะยุงกัดเจ็บแผลขึ้นมาอันนี้เกิดเวทนาพอมีเวทนาโทรสามก็ขึ้นมีเวทนาแล้วจิตมันหมายรู้ไปอุ้ยยุงกัดแล้วนะโทรสามก็ขึ้นแั้นตัวสังขารเนี่ย มันมีตัวเวทนากับตัวสัญญาเนี่ยทําให้มันเกิดขึ้นมาฉนั้นตัวจิตสังขารให้สิ่งที่เรียกว่าจิตสังขารตัวที่ปรุงแต่งจิตนะคือสัญญาและเวทนาสองตัวเนี้ยอย่างเรานั่งนั่งหาใจเข้าวโพดให้ใช้ออกโถอยู่นีนะ่เกิดไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลแบบไอแซคนิวตันมันตกใส่หัวมเจ็บ จเจ็บน น, นะใจก็งูดหงิดขึ้นมนาะมันทำงานต่อไปทีนั่งนั่งภาวนาอยู่นะแล้วนั่งก็ยิงนั่งมีอะไรนิ่มๆมาถูกขาเรานะเราคิดว่าหมาที่เราเลี้ยงไว้ที่แสนรักเรามันมาสีขาเราสีไปสีมาเราเชสงสัยลืมตาดูหมาขี้เลื่อนที่ไหนก็ไม่รู้มาถูเรานะ ทีแรกคิดว่าหมาสวยของเราหมาที่รักของเรามาถูๆนะเราก็มีความสุขมีความพอใจมีราคะพอลืมตามาเห็นนี่นี่หมาขี้เลือนโทสามมันก็ขึ้นเพื่ะนัอาศัยตาหูจมูกลิน้นกายกระทบอารมณ์จิตมันก็ทำงานอาศัยทางใจล้วนๆเลย สัญญาเวทนาทางใจอะไรมันผุดขึ้นมาความปรุงแต่งทางใจมันา็เกิดขึ้นมาอีกแต่จิตเป็นคนดูตัวสำคัญก็มีจิตเป็นคนดูเพราะฉะั้นอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยในใจเรามันจะไม่รู้สึกว่าเราสุขนะถ้าจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความสุขก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเวลาจิตใจเราทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตใจ ที่เป็นคนรู้คนดูก็อีกส่วนหนึ่งเวลาความโลภเกิดความโกรธความหลงเกิดมันก็จะเห็นความโลภความโกรธความหลงนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตรหรอกจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันได้ยังไม่ว่าจะาจะเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปหรือรู้เวทนาทางกายนะหรือเราจะรู้ นามธรรมรู้จิตรู้ใจรู้สัญญารู้เวทนารู้สังขารความปรุงของจิตก็ต้องมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราจะพลาดหลวงพ่อกเคยพลาดก่อนจะพาวนาได้อย่างนี้นะ้านก็ลมลุกลุกลานมาไม่ต่างกับพวกเราหรอก หลวงพ่อพภาวนาตั้งแต่เด็กทาสมาธิอย่างเดียวเลยทํามิปัสสนาไม่เป็นทําอยู่ยี่สิบสองปีไม่เจอหลวงพ่อดูท่านสอนให้ดูจิตดูเรื่อยๆไปแล้ดูถูกใจมันดูถูกการทําสมถะตรงนี้อย่างเอาอย่างนะสมาธิการทําสมถะอะไรเนี้ยจําเป็นมีประโยชน์นี่หลวงพ่อไม่ทํา ถือว่า้ทําไปก็เท่านั้นได้แต่สงบไม่เห็นมีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยไม่ยอมทําสมาธิเลยเน้นดูอยู่ดูจิตดูใจเข้าไปตรงๆเนี่ยดูอยู่สองปีมีกําลังสมาธิที่ฝึกยี่สิบสองปีเอามาดูจิตดูใจได้สองปีหมดละพอหมดแล้วมเกิดอะไรขึ้นวันนึงเห็นโทสะมันผุดขึ้นมาจากกลางอกน้ําโทสะมันผุดขึ้นมาไม่มีสติรู้มัน แต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นนะใจมีสมาธินะแต่สมาธิไปจดจ่ออยู่กับโทสะไม่ใช่สมาธิที่จิตตั้งมั่นแยกออกจากโทสะนะเพราะสมาธิอันนั้นไม่ใช่สมาธิที่ดีนะมันถลำลงไปจ้องไปจดจอ่อนี่พอมีโทสะสติระลึกรู้โทสะสมาธนะิเพ่งอยู่ที่โทสะ ไม่ใช่เป็นคนดูเห็นโทรสาอยู่ต่างหากมันไปรวมเงินเข้าพอไปรวมเนี้ยโทรสามันเคลื่อ น, นมันเคลื่อนออกไปออกไปข้างนอกนอกร่างกายเราเนี้ยออกไปอยู่ข้างนอกอยู่แถวเนี้ยข้างหน้าเราก็ตามไปดูโทสาดับปุ๊บคราวนี้มันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองแล้วเพราะมันคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ตัวเองมันไม่เห็นตอนที่เคลื่อนออกไป จิตหลวงพ่อไปว่างอยู่นะตรงนี้เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะชื่อโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขอย่างนั้นถ้าไม่เคยฟังธรรมไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกอะไรก็ยิคิดว่าเป็นพระลาหันแล้วมันไม่ถูกเลยนะนึกถึงคำหลวงปู่ดวนเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรงแต่งหยุดการแสวงหา หยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเสียยากคำพูดอธิบายตัวนี้ได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่มันอยู่ข้างนอกมันหลอกเราจิตเราถูกจิเลสพาเอาไปอยู่ข้างนอกไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูที่หลวงพ่อพูดเด้่อยๆไม่ถึงฐานเป็นอยู่ปีกว่านะมีแต่ความสุขปีกว่กว่าเกิดสงสัยขึ้นมา ทำไมมันเป็นอย่างนี้จยว่ามันหมดกิเลสมันก็ไม่ใช่นะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันว่างทำไมมันสว่างทำไมมันมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าสอนนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงตัวนี้ดูเที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ตัวนี้ดูสุขสังขารทั้งหลายบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่เราบังคับได้เราสร้างได้ไม่ใช่ ไม่ใช่แน่นอนแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้อเดียขึ้นไปพัานตากนะขึ้นไปถามหลวงตา ม, มหาบัวสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปนะยังเข้าถึงองค์ท่านง่ายไม่มีใครแวดล้อมหรอกวันๆนคนยังไม่ได้ไปยุ่งกับท่านถนนทุกสายขึ้นไปทางนน้นมุ่งไปห็นหมักเป็นมุ่งไปหาหลวงปู่เทศกัน หลงพ่อไปอยู่เห็นหมักแป้งมาแล้วลงมาหาลงตาไปถามท่านมองพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทําไมมันไม่พัฒนาเลยท่านมองหน้าปุบ๊บท่านก็บอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนะั้นดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนะั้นดูไม่ถึงจิตแล้ว ต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็กราบท่านนะถอยห่างออกมาหน่อยแล้วก็มานั่งพุโทโธพุดโธหลวงพ่อไม่ถนัดที่จะพูดโธอย่างเดียวถ้าพุโทโธพุทเธแอื่นดึดอัดหลวงพ่อของมันนนี่ทําไมท่านให้พุดโธ ให้พูดโทปกติก็คือสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมัน่นหลวงพ่อก็เลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งนับสองไปเรื่อยๆนับไปได้ยี่สิบแปดครั้งหายใจเข้าพูดออกโทรเนี่ยหนึ่งพูดโทรเน่ยสองพอได้ยี่สิบปดครั้งแลจิตหลอมพุบเลยจิตหลอมเข้ามาเนี่ย น, นะพอถอนออกมาโอ้แทบเกล็กหัวตัวเองนะ ไอ้ที่ผ่านมาเป็นปีเนี่ยจิตเราไม่ได้เข้าฐานจิตเราอยู่ข้างนอกพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงบอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วมัวจะไปดูว่างๆอยู่ข้างนอกนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัยนะแล้วสมาธิของเราจริงๆสมาธิเราไม่ค่อยพอหรอกคานะราวาดมีจุดตอนอย่างมากในเรื่องของสมาธิ เพราะนัเราควบสมาธิเข้าไปเลยเวลาเราจะดูจิตดูใจหัดทีแรกเนี่ยนั่งสมาธิไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแต่ไม่มุ่งไปที่ความสงบนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราเราคอยรู้ไว้เอาจิตเป็นพระเอกไม่ได้เอาร่างกายไม่ได้เอาลมเป็นพระเอกนี่เอาจิตเป็นพระเอกทำไปทำไปแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวสัญญาผุดขึ้นมาเช่นหน้าคนนี้โผล่ ข, ขึ้นมา ไม่ได้เจตนาจะนึกถึงจิตมันนึกถึงเองสัญญามันก็ไม่เที่ยงสัญญามก็บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ไ้นขึ้นมาเองสัญญามันเคลื่อนสังขารมันก็ปลุงต่อเลยสังขารมันก็ปลุงอุ้ยคนนี้เกลียดมันจังเลยโท่สาขึ้นอะไรอย่างเนี่ยเราเป็นคนดูอยู่เราเห็นสัญญามันผุดเห็นสังขารมันผุดใช่เราเป็นคนดูเราก็จะเห็นนะสัญญา ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะหรือบางทีเรานั่งให้ยใจเข้าพดอกโธ ร, รู้เท่าทันจิตยอยู่นะีจิตบางทีก็สงบรู้ว่าสงบที่ก็ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตจิตไม่เคยฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านมันไม่ใช่จิตสงบมันก็ไม่ใช่จิตนะมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตขึ้นมาเรียกว่าเจตสิก เป็นตัวสังขารตัวหนึ่งนะเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจเราเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้ถูกดูเราจะเห็นเลยสัญญาทั้งหลายหรือกระทั่งเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจสัญญาสังขารคาือความตรงดีทุงชั่วลนะ้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดู เนี่ยค่อยๆหัดไปเรื่อยๆต่อไปพอชำนิชำนาญขึ้นนะปฏิบัติชำนาญขึ้นมันจะเห็นว่ากระทั่งตัวผู้รู้เองอะตัวจิตเองอะก็ตกอยู่ใต้ใจหลักษณ์นะเราหายใจเข้าพูทธออกโตใจเป็นคนดูอยู่สุขทุกข์ดีชั่วอะไรผุดขึ้นมาใจเป็นคนดูอยู่แตใ่ใจที่เป็นคนดูเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเดีมันก็หลงไปเพ่งอารมณ์ เดี๋ยวลงไปอยู่ในความว่างมันหลงไปหลงมาได้เพราะั้นตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้เองก็เป็นอนัตตาแต่ตรงนี้ต้องพานาไปเยอะๆก่อนนะถ้าเห็นตรงนี้ทีแรกยังไม่เห็นนะไม่เป็นไรเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในจิตใจเราสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับ ดีชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะความหมายรู้ต่างๆสัญญานเะกิดขึญญนะ้นแล้วก็ดับเหมือนกันเนี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหลวงพ่อ เ, เ, เคยเห็นสัญญาดับนะมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นทํางานอยู่ทำเนียบรัฐบาลตอนเย็นนะลงเรือดดนจากเทเวศมาขึ้นที่เมืองนอนท์บ้านอยู่เมืงนองหนนทะ์ พอขึ้นจากเรือเดินพ้นท่าเรือมาเท่านั้นนะจิตหลวมปุ๊บหลงไปนะแล้วถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเนะี่สัญญาตัวนี้ไม่ทํางานมันแสดงให้เห็นนะตอนนั้นนะจิตมันสงสัยว่าสัญญามันเกิดดับยังไงว่าสัญญาน่นะดูไม่ออกว่าสัญญามันเกิดดับยังไงมันเลยแสดงให้ดูะจิตมันเลยสาธิตให้ดูขึ้นจากเรือปุ๊บสัญญาดับลงไปยืนอยู่ ลิมถนนนะหลวงพ่อไม่ตกใจนะไม่รู้จะไปทางไหนเราเป็นใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่อันไซเมอร์นะเราเป็นใครก็ไม่รู้นะเรามาตรงนี้ตรงนี้มันคือที่ไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปไหนเราก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นหนะลวงพ่อไม่ตกใจหลวงพ่อยืนเฉยเฉยคนมันก็เดินเฉียดไปเฉียดมานะ ก็ช่างมันเรื่องคนอื่นนะตอนนี้เราไปไหนไม่ถูกแล้วไม่เดินซุ่มซ่ามไปหรอกนะสักพักหนึ่งสัญญาณก็ผุดขึ้นมาอ๋อมันผุดขึ้นมาได้อย่างนี้เนาะเห็นเออสัญญาณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเวทนาก็ไม่เที่ยงนะเวทนาก็บังคับไม่ได้สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็บังคับไม่ได้อย่างพวกเราบางทีเห็นหน้าคนคนหนึ่งนะจําชื่อได้ แล้วหันจะคุยกับคนอื่นหันกลับไม่อีกทีไอ้คนนี้ชื่ออะไรลืมไปแล้วใครเคยเป็นมัง้งใครเคยเป็นมั้งมีไหมนะเห็นหน้าเพื่อนแล้วนึกไม่ออกว่ามันชื่ออะไรเคยเป็นไหมเนี่ยสัญญามันไม่มีนะสัญญามันดับไปอยู่ไปอยู่ไปนะักคุยไปสะพังหนึ่งนึกออกะไม่ได้เจตนาจะนึกเลยมันนึกออกตอนที่เจตนานึกกันนึกไม่ออกเวลาเรานึกอะไรไม่ออกแล้วพยายามจะนึกแล้วมันจะนึกไม่ออกตรงนี้รู้ไหม เคยเห็นไหมเอออยู่ๆก็พูดขึ้นมาเอ้ามันคื อ, อนนี้เองเพราะนสัญญาเองนะก็เป็นอนัตตาสัญญาเองก็ไม่เที่ยงมีบ้างไม่มีบ้างเอาแน่เอา น, ะ อ, านอนไม่ได้สังขารคือความพรุงดีพรุงชั่วอย่างศรัทธาเนี่ยแมวันนี้ศรัทธามากเลยอยากมาฟังเทศเลยนะพอฝนตกเท่าไหนเดียวอากาศน่านอน ศรัทธาหายแล้ขี้เกียดมาแทนนะอนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเวลาดีใจมากเลยจองได้มาฟังเข้ามานั่งถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่เลิกนะเบื่อเบื่ออยากจะไปแลนะใช่ไหมจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงกลายเป็นอะกุศลได้จิตที่เป็นอกุศลก็ไม่เที่ยงนะบางทีก็กลายเป็นกุศลไดนะ้อย่าง เราโมโหใครสักคนนะเราต่อยมันโครุมลงไปนะยังมือไม่ทันสะใจมากต่อยโครุมลงไปพอเห็นเขาจมูกแตกปากแตกเลือดไหลนะใจหายเลยสงสารนะเกิดความสงสารได้ไหมนะจากอกุศลยังพลิกเป็นอกุศลได้ด้วยนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะจากกุศลก็พลิกเป็นะอกุศลได้เนี่ยเวลาเรารู้จิตรู้ใจของเราเราจะเห็นนะในใจิตในใจเราเต็ไมไปด้วยของไม่เที่ยง เป็นทุกข์บังคับไม่ได้อย่างเรามีลูกเนี่ยเราเป็นห่วงบอกอย่าไปวิ่งเล่นข้างถนนนะเดี๋ยวรถชนเราเป็นห่วงกลัวลูกเจ็บถูกรถชนในลูกมือนดื้ลูกมันดือนด้อแม่ไปเล่นเองแล้วพ็โมโหจับได้ตีเลยลูกยังไม่ทันเจ็บตัวเพราะรถชนนะเจ็บตัวเพราะแม่ตีแล้วจิตมันมีโทสะเกิดขึ้นทีแรกเป็นกรุณานะ นะไม่อยากให้เขามีความทุกขนะ์แต่ว่ามันไม่เชื่อเราโธสามันก็ขึ้นเนะนี่ยมันพลิกมาเป็นโธสาวได้หรือบางทีเราสงสารเห็นห ม, นะมาถูกรถชนมาถูกรถชนใจเรากรุณาอยากช่วยเขาพ้นทุกข์เราก็ช่วยไม่ได้มันตายใจเราสังเวชสลดไม่ใช่สังเวชใจเราเสียจใจนะนะเสียจใจ นึกด่าตัวเองทำไมไปช่วยมันช้าไปอะไรเงี้ยหรือทําไมเราซุ่มซ่ามขับรถไปชนเข า, านี่ยจากกุศล น, นะกรุณาเป็นกุศล น, นะพลิกเป็นโทสะอาจจะโมโหเอกตัวนี้หรือโมโหตัวเราก็ได้เนี่ยมันพลิกแปลงอย่างนี้จิตใจของเราการที่เรามาดูจิตดูใจนะเพื่อจะมารู้เท่าทันความพลิกแปลงของมันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย เดี๋ยวรอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหวดหู่ใจเราเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นในสุขทุกข์ตีชั่วนะรอบกลดลงฟงุ้งซ่านหดหู่อะไรเนะี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิน้นอย่างนี้ภาวนานะถึงจะได้หลักเพาจิตเป็นคนดูจิตตั้งมั่นอยู่ช่วงแรกๆเราหัดหดูแค่นี้พอแล้วดูแค่ว่าความรู้สึกทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นกับจิต ใ, ใจเราเนี่ยผ่านขึ้นมาจิตเป็นแค่คนดูอยู่เราทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นบังคับไม่ได้เห็นแค่นี้พอแล้วนะยังไม่ต้องเห็นถึงตัวผู้รู้เกิดดับหรอกเพราะตัวผู้รู้เราไม่ค่อยจะมีนะต้องพัฒนาอีกช่วงหนึ่งนะสมาธิดีๆนะตัวผู้รู้ถึงจะเด่นขึ้นมาแต่ใจว้แกว ก, แกวกแวงอย่างพวกเราไม่ค่อยมีนะนี่บางคนประมาทนะ เดหลวงพ่อนะทำสมาธิมาก่อนนะจิตมีกําลังแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายไหลามาไหลไปไหลามาไหลไปได้เดินปัญญาได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นอนัตตาได้นี่พวกเราไม่มีสมาธนะิพอราคาเกิดจิตทไหลตามราคาไปไม่ไปดูราคาเกิดดับไม่มีทางนะโทสะเกิดขึ้นจิตที่ไหลตามโทสะไปก็จะไม่เห็นโทสะเกิดดับนะมันโมโหไปแล้วลืมตัวไปแล้ว ขาดสติไปแล้วงั้นจิตจะต้องเป็นคนดูให้ได้ตัวนี้แหละตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะภาวนาได้ไหมจะดูกายก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะจะดูเวทนาในกายหรือเวทนาในใจก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้จะดูสัญญาดูสังขารในจิตของเราก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้แล้วมันจิตแยกขันต่างๆออกจากจิตจิตเป็นคนรู้นะ เนี่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นในทุกสิ่งที่ถูกรู้นั้นเกิดระดับทั้งสิ้นเกิดระดับช่วงนี้ยุงเยอะนะกัดเราเจ็บเจ็บขันหลายวันนะกันทีเห็นไหมหลวงพ่อพูดถึงยุงเรานึกหน้ายุงออกไหมเห็นไหมเห็นปากแหลมๆไหมเมื่อกี้เนี่ยเจตนานึกไหมว่ายุงหน้าตาเป็นยังไง แม้สัญญามันผุดขึ้นมาคำว่ายุงเนี่ยต้องหน้าตาอย่างเนี้ยเวลาพูดถึงยุง่ไหเหมือนเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงยา ก, กันยุงหน้าตาเป็นไงเห็นอย่างว่าสัญญามันทำงานยังไงมีภาสาะได้ยินเสียงทางหนะูรู้ว่าพูดสัญญาหมายรู้ว่าพูดถึงยา ก, กันยุง ก็ปรุงภาพของอยา ก, กันยุงต่อบางคนก็อยากกันยุงเป็นขดๆบางคนจะเป็นแท่งๆเป็นทูบ ก, กันยุงนะบางคนก็เป็นหลอดไฟให้ยุงมาแนละ้วยุงถูกไฟตายยิงเปียเป้ยบๆได้ยะไม่หนะ่างดีมีความสุขนั้นะเราเลือกไม่ได้ว่ามันจะผุดขึ้นมาหน้าตาเป็นยังไง มันปูดขึ้นมาแมวรู้จักแมวไหมแมวสีอะไรตัวแรกที่เราคิดถึงอ่ะสีอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนเลี้ยงแมวขาวคิดถึงแมวปุ๊บก็แมว ข, วขาวขึ้นมานะคนชอบแมวดำแป๊บเดียวแมวดำก็โผล่ขึ้นมานะแล้วได้ยินคำว่าแมวมปลวกต่อไปอีกเนไดยอะไรเกิดขึ้นในจิต ใ, ในใจเรานะคอยรู้ทัน สัญญาผุดขึ้นมาแล้วสัญญาไม่มีกุศลนกุศลนะมันเป็นความจํามันเป็นกลางๆงไม่มีบุญมีบาปหรอกตอนที่มีสัญญาผุดขึ้นมายังเห็นหน้ายุงโผล่ขึ้นมาในใจเงี้ยไม่มีบุญมีบาปแต่พอเห็นหน้ายุงแล้วเกลียดเนี่ยโทสะขึ้นนี่คือตัวสังขารบุญบาปอยู่ที่ตัวสังขารดีชั่วอยู่ที่ตัวสังขารตัวเวฒนาเนี่ยไม่มีดีมีชั่วตัวสัญญาไม่มีดีมีชั่ว ตัวกายนี่ตัวรูปนี้ไม่มีดีมีชั่วตัวดีตัวชั่วอยู่ที่สังขารตัวเดียวนี่นเราจะดูเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจมันทำงานไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปกิทั้งตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปเพ่งนะ เดี๋ยวเป็นอย่างโน้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นจิตอกุศลเดี๋ยวเป็นจิตเป็นกุศลเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเราหรือตัวรู้เราเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะนั้นรวมแล้วในขันหานี่นะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยร่างกายหรือตัวรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาทางกายทางใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา สัญญาสังขาร น, นะหรือกระทั่งจิตของเราเองก็ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพราเห็นอย่างนี้ท่องแท้นะเห็นด้วยจิตจริงๆไม่ใช่ด้วยการคิดนะจิตจะรวมลงอปินาสมาธิให้จะเกิดอริยมรรคขึ้นโสดาปิมรรคก็จะเกิดขึ้นพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับขันห้าทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีในที่ไหนเลยนะ ให้ก็เห็นกันอย่างนี้นงั้งงเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปแยกขันลงไปแล้วขันแต่และตัวจะไม่ใช่เราหรอกตัวที่ทาให้เป็นเราไอ้สัญญากับสังขารนั้นมันหลอกเอามันหลอกเราถ้าเราแยกได้สัญญาก็ส่วนสังขารก็ส่วนะมันหลอกเราไม่ได้อะพูดอย่างนี้ดูรายละเลอียดเยอะฟังแล้วน่ากลัวสรุปวิธีปฏิบัติง่ายๆก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง เช่นหายใจข้าพูดหาใจออกโทแบ่งเวลาไว้ทําำคนแรกๆต้องซ้อมนะทําในรูปแบบนี่แหละหายใจเข้าพูด อ, อกโทไปแล้วจิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รูนะ้จิตเป็นยังไงก็ค่อยรู้เอาแล้วเวลารู้อย่าไหลาตามมันไปเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธมันอยู่จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตกับความโกรธเป็นคนละอันกันนะดูอย่างนี้นะ ถ้าจิตวรวมเข้ากับความโกรธดูอะไรไม่ได้แล้วหลงไปเรียบร้อยแล้วงั้นเราทำกรรมฐานอย่างหนึง่งจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าพุทในะใหายใจออกโทเนี่ยเห็นไปแล้วก็พออะไรเกิดขึ้นแปลกปรอมขึ้นมาในจิตในใจเราคอยรู้ทันต่อไปพอชนานาญนะมันจะตัวรู้มันจะเด่นดวงอยู่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยอะไรผุดขึ้นมาในใจมันก็เห็นนะ มันเห็นเหมือนตอนที่เราซ้อมในรูปแบบนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้หายใจเข้าผู้ดอกทูเลยตอนเนี้ยกําลังชมนกชมไม้เพลินๆ น, นะอยู่เห็นผีเสื้อสวยมาอุ้ชอบอย่างไลนะ่ความชอบผุดปุ๊บสติรูปปั๊บเลยนะเห็นเลยมันชอบเลยเห็นถ้าเป็นคนเลี้ยงต้นไม้คนปลูกต้นไม้เห็นผีเสื้อมาเนี่ยไม่ชอบนะมันจะมาออกไข่เดี๋ยวมาเป็นนอนกินต้นไม้ของเราเห็นผีเสื้อแล้ว อยากตีให้ตายเลยเห็นผีเสื้อไนหะคนสองคนเห็นผีเสื้อตัวเดียวกันสังขารปรุงไม่เหมือนกั น, นแล้วแต่ภูมิหลังเราแต่ละคนอนุสัยหรือกุศลอะไรที่สะสมมามันแตกต่างกันนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราเห็นจิตใจมันทำงานได้เองมันปรุงดีปรุงช่วปรุงสุขปรุงทุกข์มันได้เองมันบังคับไม่ได้มันห้ามไม่ได้ หรือมันจะเป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้คิดว่าห้ามมันไม่ได้นะอะไรๆก็มีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆในชีวิตประจาวันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆวิตเป็นคนดูอยู่เมื่อไรขาดสติจิตก็หลงไปไม่เห็นละไอที่เกิดดับนี่ไปเห็นเรื่องเราที่สมมติในทางโลกนะไม่ได้ดูปรมท ธ, ธรรม คือของจริงที่เกิดขึ้นในการในใจตัวเองเมื่อเป็นโดนหลงอารมณ์บัญญัติทั้งหลายก็เรื่องราวที่คิดทั้งหลายนั้นสรุปนะมีจิตเป็นคนดูเนี่สําคัญมากนะแล้วถ้าจะดูจิตนนะั้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วว่าจิตเราสุขทุกข์ดีชั่วคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็าหายไปเนี่ยฝึกดูอย่างเนี้ยให้มากๆ ถ้าไปจะเห็นนะตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยแล้วเวลาดูถึงจุดหนึ่งจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยกลับมาทําสมถะมาหายใจเข้าพุทโธหายใจออกโทให้จิตพักผ่อนไม่เดินปัญญานะไม่ไปดูเกิดดับนะแต่ให้จิตพักผ่อนอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธพอมีแรื่งมีแรงนะอย่าขี้เกียจไปดู จิตมันทำงานต่อแล้วถ้าจิตมันไม่ยอมทำงานทำยังไงหาขัดสาเลยลืมตาให้มานะดูโ น, น่นดูนี่ไปเดี๋ยวตากระทบรูปนี้จิตก็เป็นอย่างนี้กระทบรูปนี้จิตก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ไปไม่นานหรอกถ้าทำได้นะมาคนในพันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปไม่เกินวิสัยมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะทาได้ ขอเพียงให้รู้วิธีเท่านั้นนะงั้นเมื่อวานสอนเรื่องหนักเรื่องกายกับเวทนานะวันนี้สอนเรื่องการดูจิตดูใจของเราเองไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งนะแล้วก็ไม่ใช่ไหลาตามอารมณ์ไปถ้าเพ่งจิตให้นิ่งเป็นอัาตะกิลมตาณุโยคถ้าจิตไหลาตามอารมณ์ไปเป็นกามสุขาริการุโยค จิตที่เป็นทางสายกลางงือที่เป็นคนดูเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปทุกวันทำทุกวันเลยจะได้ดีขึ้นอ่ะเท่านี้พอหมายเลขห้าค่ะพื้นฐานจิตเป็นคนฟุ้งซ่านและมีโทสะวิหารธรรมคือพุโทโธกับดูลมหายใจเข้าออก จิตช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยรู้สึกตัวเหมือนลอยๆอยหนูทำรูปแบบเดินจงกรมวันละสาสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหนูทำถูกต้องแล้วหรือยังคะถูกแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานนะรู้สึกไหมจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยเรารู้ตันนะจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้รู้บ่อยๆแล้วเวลาเดินจงกรมอะ ไม่ได้เดินนับเวลาหรอกเดินแล้วก็ค่อยมีสติเดินไปด้วยความรู้สึกต no. yes. ัวพอใจลอยปมหยุดเลยยังไม่ต้องเดินรู้สึกตัวให้ดีก่อนแล้วค่อยเดินต่อเดินไปสุดทางจงกรมแล้วก็อย่าเพิ่งหันรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยหันพอหันกลับหลังหันมาแล้วรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินเน้นที่รู้สึกตัวงั้นจะเดินจงกรมก็เน้นที่ความรู้สึกตัวไปไม่ใช่เดินนับเวลานะ วันนี้ตั้งใจเครื่องชั่วโมงทําเครื่องชั่วโมงได้ล้วดีใจแล้วก็เลิกออกจากทางยางกลมเดินชับชับชบ ช, บชบไม่มีสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ่ะงั้นทุกก้าวที่เราเดินในชีวิตเรานี้ยแหละมีสติเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะถึงจะเรียกวเราปฏิบัติดีส่วนเรื่องที่โมโหอะไรเนะี่ยมันเป็นพื้นจิตของเราถ้ามันไม่ได้หรอกแล้วถ้าอยากสบายหน่อยก็บริกรรมทางด้านเมตตาไป เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยนะหรืออย่างของหลวงปู่ข่าวก็ได้พุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมมะธรรมะธรรมานุภาเวนะนีนะ่แต่งเอาเองก็ได้เอาที่สบายใจนะกรรมบริกรรมอะ ไม่ชอบพูดโตไม่ชอบบทโน้นบทนี้แต่งเอาเองเลยนะแต่อย่าไปแต่ง่าแพทย์ชั้นสวยที่สุดชั้นดีที่สุดอะไรอย่างนี้ไม่เอานะ <c oughs> ไปเจริญเมตตาให้มากขึ้นเราภาวนามจะราบเรื่อนขึ้นนะเราขี้โมโหขี้หงุดหงิดหมายเลขสิบค่ะ ส่งการบ้านครั้งแรกศึกษาและปฏิบัติจากซีดีและ YouTube หลวงพ่อมาหนึ่งปีใช้วิธีดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธเจริญสติดูกายดูจิตในชีวิตประจำวันมีปัญหาตกเย็นมีอาการจิตลา้ลาขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยตรวจและชี้แนะการปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะจิตล้าเนี่ยเพราะเราจงใจปฏิบัติ เราพยายามบังคับจิตใจตัวเองเยอะเกินไปมันก็เหนื่อยอย่างขณะนี้เราบังคับจิตใจอยู่นะรู้สึกไหมมันจะอึดอัดนะอึดอัดอย่างเงี้ยทนไปทั้งวันนะตกเย็นยังไงก็ลาจิตมันเหนื่อยแล้วมันทำงานหนักไปงั้นพยายามอย่าไปเพ่งแรงแรงรู้ความรู้สึกที่มันเคลื่นไหวเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นว่าต้องรู้ตลอดเวลาถ้าอยากรู้ตลอดเวลาก็จะเพ่ง รู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรแค่อยา่าเผลออย่าวเท่านั้นแหละอย่างตอนนี้ใจไปคิดรู้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยใจไปคิดก็รู้เคลื่อนไหวไปทำอะไรก็ทำไปถ้าเราไปทำในรูปแบบอย่างเดียวเนี้นจะติดเพง่งของโนมันเพ่งแรงนะค่อยๆ ค, คลายออกที่มันเพ่งเพราะมันอยากดีค่อยๆปล่อยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้สุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้มันเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นเอาแค่นั้นแหละถ้าจงใจมากมันจะ อ, อึดอัดแล้วก็พออึดอัดนานๆนี้จิตจะหมดเรวหมดแรงแล้วอีกอย่างนะทางที่ดีเนะี่ยระหว่างวันเนี่ยทําความสงบแทรกเข้าไปด้วยมัไม่ใช่เจริญปัญญารวดเรแต่แต่ เ, เช้ า, ยาเย็นเย็นมันทําไม่ได้หรอก การจเจริญปัญญาจริงๆเนี่ยใช้เวลาสั้นๆเวลาส่วนใหญ่คือเวลาที่ฝึกสมาธิฝึกให้จิตมีพลังมีความตั้งมั่นนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยจิตมันเดินประเดียวเดียวอ่ะมันใช้แรงเยอะเนะนี่เราต้องทำสมถะไปด้วยนะวันกลางวันเนี่ยเ<ม>หนือหน่อยๆขึ้นมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปนะหรือทำงานหัวหมุนติ้วๆแล้ว มีเวลาว่างเดินไปห้องน้ําอะไรก็อะไรใจเข้าไปให้ใช่ออกไปนี่เก็บเลกเก็บน้อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตกเย็นมันจะไม่ลาเกินไปเพราะว่ามันได้ชาร์จพลังของเราตลอดวันนะทําสลับไปเรื่อยๆถ้าเดินปัญญารวดไปอะไทั้งวันให้แน่แค่ไหนนะก็หมอบตกเย็นนะไปไม่รอดหรอกหมดแรงงั้นเก็บเลขเก็บ น, น้อยนะในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเก็บ มีเวลาว่างๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปหมายเลข25ค่ะหนูมีปัญหาเรื่องจิตติดเข้าไปหลงคิดนานพยายามเพิ่มคำบริกรรมและลดการเข้าอ่านโซเชียลต่างๆแต่ยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกตัวไม่ชัดจิตเหมือนอยู่ข้างนอกๆสังเกตว่าน่าจะเกิดจากตอนช่วงเวลานอนหลับ จิตมักเข้าไปอยู่ในพวังไปนอนแช่และเมื่อตื่นก็จะรู้สึกตัวไม่ชัดต้องมาทำความรู้สึกตัวจึงจะคลายออกจากสภาวะนั้นขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะเวลาหลับมันจิตมันลงพวังอุตกแล้วถ้ามันไม่ลงพวังมันก็ขึ้นมาทำงานวุ่นวายไปหมดเหน็ดเหนื่อยนะงันนนนนนน้นตอนหลับก็หลับไปเถอะแต่ตอนตื่นกนะ็พยายามมีสติให้เร็ว ทำยังไงตอนตื่นจะมีสติได้เร็วเวลาเราจะหลับนะหายใจไปรู้สึกตัวไปจนกระทั่งหลับหายใจเข้าพู่ออกโถวนะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยหายใจไปเพลินเลินให้มันหลับลงไปแล้วตอนตื่นเนี่ยมันจะตื่นมาพร้อมกับการปฏิบัติถ้าเราหลับพร้อมการปฏิบัติเราจะตื่นพร้อมการปฏิบัติค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างหลวงพ่อตื่นนีนะเหมือนเปิดสวิตช์เลย มันเปิดสวิตสองทีนะเปิดสวิต ท, ที่หนึ่งเนี่ยรู้นามธรรมาเปิดสวิตครั้งที่สองเนี่ยรู้รูรปธรรมรู้ร่างกายนะ น, นเราจะทำได้ถ้าเราหลับไปด้วยความมีสตินะก็พยายามฝึกเอานะมีความตั้งใจดีอยู่ใช้ได้อย่าไปบังคับมันนะ รู้ไปส บ, สบายตอนนี้ยังบังคับอยู่ยิ้มซียิ้ ม, มไม่ต้องตั้งท่า ย, ยิ้มก็คือยิ้ม <c oughs> กลัวหลวงพ่อไม่รู้ว่ายิ้มก็ตั้งเนีน <c oughs> นะ่รู้สึกไหมใจมันคลายออกเพราะใจมันคลายเราก็รู้ว่ามันคลายแล้วเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องนี้ใจมันเครียดรู้ว่ามันเครียด เดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็คลายร่วมไปเรื่อยๆแล้วถึงเวล า, าก็กลับมาทำความสงบเป็นระยะ ะ, ยะไปฝึกไปดีแล้วละ่ะที่ฝึกอยู่หมายเลข47คะ่ะฟังทำปฏิบตัติตามแนวทางหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ยังมีเพ่งแรงสลับกับฟุ้งซ่านมาก และไม่แน่ใจว่าจิตเดินปัญญาได้เองหรือเปล่าหรือเป็นการคิดเอาขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะเวลาเราฟุ้งมากนะมันจะตามด้วยเพ่งเป็นปกติเลยนี่แทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งมากนะั้นเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปอยู่กับพุทโธอยู่กับหายใจอะไรก็อยู่ไป แล้วเวลามันอยากดีมันอยากรู้ตัวตวลอดเวลาอะไรยมันจะเพ่งการเพ่งนั้นไม่ได้ให้อะไรเราขึ้นมานอกจากความเหน็ดเหนื่อยงั้นเราอย่าไปปฏิบัติธรรมด้วยความโลภอยากดีอยากโน้อนอยากนี้ปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าเราปฏิบัติบูชา หายใจเข้าพรดอกตัวอะไรก็ตามเถอะหรือจะกรรมฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันวางใจว่าทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อเอาดีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทําเพื่อ อ, อะไรเข้าตัวเองนี่พอใจมันเป็นกุศลขึล้นมานะมันไม่ได้โลภมันก็จะไม่ค่อยเพง่งที่มันเพ่งเพราะมันอยากดีนะพอมันเพ่งมันเหนื่อยมันจะมีสองช้อยอันหนึง่ง หลับไปเลยอีกอันหนึ่งพอกดไวมากๆเนี่ยวันใดที่หมดแรงกดนะมันจะฟุง้งเงั้นเพ่งกับฟุ้งเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันสงบมากก็ฟุ้งมากมีราคามากเนี่ยก็มีโทศามากอะไรเงี้ยสลับกันไปมันเป็นธรรมชาติของจิตใจหน้าที่เราคืออย่าไปโลภมันมันเป็นยังไงรู้อย่ายที่มันเป็น ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปถ้าเราไม่ได้ทำํำด้วยการหวังผลการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าเร็วขึ้นยังไม่แค่จิตไหลไปคิดแล้วก็เห็นเองงใช่ไหมไหลเพ้อไปอย่างนะี้เราก็รู้เอาเนี่ยไหลอีกแล้วไหลไปแล้วเราก็รู้รู้สบายๆนะถ้าเราไปเพ่งนะี่ยจิตไม่ค่อยไหลไปไหนผิดธรรมชาติ ปล่อยให้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรูนะ้ตรงนี้เพ่งนะตัวนี้เข้ามาเพ่งตัวนี้ยไหลไปนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ปล่อยไว้เงปล่อยไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อย่าไปเพ่งถ้าเพ่งเราไม่ได้อะไรนะได้ความลำบากไปฝึกตัวเนี้นะจิตไหลแล้วรู้ทํากรรมฐานไปจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ ไม่ใช่ทากรรมฐานแล้วห้ามไหลห้ามไหลไมันจะเพ่งเก้าสิบห้าค่ะหนูดูจิตในชีวิตประจำวันและบริกรรมพุทธโธช่วงนี้โดนกิเลสลากไปบ่อยเวลาหลงจะรู้สึกเหมือนอยู่ในที่แคบรู้สึกแน่นเวลาตื่นนอนเห็นมันหมุนอยู่กลางอกอพยายามทำสมาธิแต่ไม่สงบจิตไหลไปจับอารมณ์ตลอด บางทีเหนื่อยและทุกข์มากรบกวนหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะอย่าไปอยากสิอยากดีมันก็ดิ้นรนนะดิ่นรนมันก็เหนื่อยอยากสงบมันก็ดิ้นรนแล้วมันก็เหนื่อยอยากมีความสุขจิตมันก็ดิ้นรนแล้วมันก็เหนื่อยล้วก็ทุกข์ไปตลอดนะแทนที่เราจะอยากโน้อนอยากนี่เรารู้อย่างที่มันเป็นอย่างตอนนี้ใจเราไปคิดรู้ว่าใจไปคิด ใจสงบรู้ว่าใจสงบใจฟุ้งซ่านหรือว่าใจฟุ้งซ่านรู้ไปเรื่อยๆนะัแต่เราอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรของเรานะยืนพื้นไว้แต่ไม่ได้พุโทโธเพื่อความสงบหรอกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบหรือว่าสงบพุโทโธไปมีความทุกข์เกิดขึ้นหรือว่ามีความทุกข์พุโทโธไปมีความสุขหรือว่ามีความสุข เนี่ยพุโทโธแล้วก็ให้จิตมันทำงานแล้วเราก็รู้ทันความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวเปลีนะ่ยนแปลงคืออย่างนี้นะจะได้สบายๆใจยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะ่เราก็ต้องอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไว้เลขหนึ่งร้อยสามสิบสามค่ะดูกายเป็นวิหารธรรมบางครั้งเห็นจิตเห็นโทสะและโลภ บ, บ่อย ปัญหาคือการปฏิบัติในรูปแบบไม่ค่อยมีสมาธิจะฟุ้งซ่านมากรบกวนหลวงพ่อแนะนําการปฏิบัติทีค่ะฟุ้งซ่านก็ทํานะไม่ใช่ฟุ้งซ่านแล้วก็เลยไม่ทําความสงบแต่เราทําความสงบแล้ทวทํากรรมฐานแต่จิตมันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านไม่ว่ามันมีหน้าที่ทําก็ทําไปทุกวันนี้หายใจไปพูดโธไปแล้วก็ทําไป มันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทําไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่สงบแล้วเราเลิกเนี่ยมันก็ไม่สงบทั้งชาติน่ะทีแรกก็ต้องอดทนหน่อยแต่อย่าไปบังคับมันว่าต้องสงบจิตเป็นเด็กอะ่ะไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าบังคับมากยิ่งดื้อจิตเนี้อย่าไปบังคับมันมากมันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเรามีหน้าที่หายใจไปพูดโตไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไป แล้วเขาสงบของเขาเองแหละเพราะว่าความฟาุ้งซ่านเขาไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเองแหละสมาธิไม่พอนะเลยยังเดินปัญญาไม่ได้จริงใจเรายัางฟุ้งเก่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในภาพรวมนะดีขึ้นนะความรู้เนื้อรู้ตัวอะไรนี่ก็เยอะขึ้นระวังเรื่องไปติดบังคับมันไปบังคับมัน สงบพะรู้ฟุ้งซ่านก็รู้ปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้อย่างที่มันเป็นอย่างตอนนี้พอเราปล่อยเราเห็นไม้มมันจะไปคิดมันไปคิดก็รู้ไปคิดไม่ว่ามันหรอกนี่บางคนไม่ใช่คุณนะอันนี้พูดถึงเมื่อกี้ลืมบอกมีอยู่คนหนึ่งจิตมันชอบคิดมากเลยถ้ามันชอบคิดมากๆนะ่ะพามันคิดเลย แต่ว่าคิดเรื่องที่เราสมควรคิดอนุสติสิบเรื่องนะเอาไว้สำหรับคิดสำหรับพวกนักคิดทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่ทำแล้วคิดถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วเนี่ยคิดถึงความสงบคิดถึงอะไรความตายคิดถึงร่างกาย ผมคนเล็บฟันหนังคิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็ตายไปทีหายใจออกก็ตายไปอีกทีตายไปทีละน้อยทีละน้อยนีไถ้ามันชอบคิดนันก็พามันคิดเลยคิดในเรื่องอนุสติพวกนี้แหละเพราะใจมันได้คิดตามที่มันชอบมันจะมีความสุขแต่ถ้าใจมันชอบคิดเราไปทำกรรมฐานที่ไม่คิดนะมันเหนื่อยตายเลยจิตใจมันอึดอัดมันไม่ชอบ เพน้คนไหนชอบคิดนั้นก็หาเรื่องให้มันคิดนะเรื่องที่มันควรคิดหนึ่งก็คือเรื่องของอนุสติสิบข้อไปดู o o เกิลเอานะเรื่องเอาเอาไหนเชนถ้าเรานี่ใส่ร้ายขีหโมโหใครพูดอะไรนิดนึงก็โมโหโกโรธนานข้ามวันข้ามคืนเลยเนะียกรรมฐานอะไรก็เอาไม่อยู่ก็คิดถึงความตายอะไรย่างเงี้ย โอ้คนเราจะโกรธกันทําไมเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วตอนอยู่ด้วยกันนะโกรธกันทุกวันเลยตอนตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้ว่าไม่น่าตายเร็วนเนนยิสัยคนนะเป็นอย่างนั้นเนี่คิดเลยความตายมันมีอยู่ตลอดเวลานะไม่เฉพาะตายใหญ่ๆหรอกตายใหญ่ๆเกิดมาชาติหนึ่งกับปตายทีหนึ่งตายเล็กตายน้อยเนี่ยตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หายใจออกไปทีหนึง่งชีวิตก็สั้นลงไปหน่อยหายใจเข้ามาทีหนึง่งชีวิตก็สั้นลงอีกนิดหนึง่งเนะี่ยพิจนาไปเรื่อยๆนะใจมันก็จะเริ่มสงบลงนะสรดสังเวชมันก็สงบลงแทนที่จะโกรธนา น, นอะไรก็ไม่โกรธแล้วไรู้จะโกรธทําไมเดี๋ยวคนที่เราโกรธตายไปเราก็คิดถึงอีกเลยนะีพยายามเข้า่หรือคิดถึงร่างกายก็ได้ร่างกายนี้ มีแต่ผมขนเล็บปันหนังเนะ้อเอ็กระดูกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันอยู่ที่ไหนผมเป็นตัวเราไหมผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะถึงเวลาก็ต้องไปตัดออกตัดออกมาแล้วเห็นมันจะเป็นเราตรงไหนเลยนะขนก็เหมือนกันนะขนคิ้วขนตาอะไรเงี้ยนะวุ่นวายกับมันมันหลุดออกมาแล้วก็ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยเล็บใช่ไหมตัดกันอยู่เรื่อยเลยถ้าตัดเล็บออกมาแล้วเอาไป พกพาไหมเอาไปลวยข้าวกินได้ไหมเห็นแล้วคลื่อ น, สนไส้อย่างผมเนี่ยเรากินข้าวอยู่ในข้าวมีผมมาผมคนอื่นเงี้ยนะยิ่งเคลื่อนไส้หนักก็บีบอยู่หไหมเนี่ยพิจารณาไปเลยมีแต่ของโสโครกในร่างกายเงี้ยเนี่ยถ้าพวกชอบคิดนะพามันคิดเรื่องอย่างนเนี้ยคิดอันนั้นเรียกว่ากายากา ย, ยกตาสติมีสติพิจารณากายนะมีสติพิจารณาความตายเรียกมรณาลุสติ นะมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายนะหายใจไปเมื่อคิดถึงทานที่ทำแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่รักษาแล้วด้วยดีอนะไรเงี้ยใจมันก็สงบคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์ะเนีนะ้ยใจสงบคิดถึงคนดีนี่เรียกว่าเทวตาณสตินะเรนึกถึงคนดีๆอะไรเงี้ยนะใจเราสงบมีความสุขนี่เรื่องที่ คิดนะสำหรับพวกคิดมากพวกคิดมากก็ทำกรรมฐานคิดนี่แหละไปทำกรรมฐานไม่คิดนะอ่นอัดตายเลยหนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะช่วงนี้เวลามีโทรสะมีตัวหนึ่งคอยยิ้มเยอะครั้งสุดท้ายที่ส่งการบ้านประมาณสิบปีที่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อบอกสภาวะที่เห็นคือธรรมดาและให้การบ้านว่า ทำเหมือนเดิมระวังพลังภายนอกเข้าแทรกคำถามคือตอนนี้โดนพลังภายนอกครอบงำไหมอยากได้การบ้านในการปฏิบัติเฉพาะตนอีกสักครั้งเพื่อความไม่ประมาทในการปฏิบัติค่ะสิ่งภายนอกที่มันมาแทรกเนี่ยนะมันไม่ได้แทรกตลอดเวลาหรอกเวลาใจเรามีสมาธิขึ้นมามันก็หายนะอย่าว่าแต่โยบเลยพระยังเป็นเลย บางทีถูกพลังที่ไม่ดีมาเหมือนแกล้งครอบงำเนะ่มันจะบิวนะอารมณ์มันจะบื้อหวารุนแรงผิดธรรมชาติถ้าเรามีสติรู้ทันว่าทาไมอารมณ์เราจิตติดข้องอารมณ์มากและเกินผิดปกติอะไรเงี้ยเราทําความสงบนะพอจิตรวมลงไปถ้านันหายเลยนะของคุณก็เหมือนกันมันครอบไม่ได้ตลอดหรอกจิตมันมีพลังนะจิตมีสมาธิมีกําลังอยู่ สังเกตไปเรื่อยๆนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมตรงนี้จิตมันกระจายคว้างๆออกไปหายใจอย่าดึงจิต น, นะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมนะ ถ้าใจมันโล่งๆว่างๆอย่างตะเกียะมันเหมือนที่หลวงพ่อเคยเป็นที่เล่าให้ฟังตะเกียะมันว่างอยู่ข้างนอกแล้วนะให้มันตวนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเราจริงๆให้ถึงฐานจริงๆแล้วเราจะเห็นทุกขนะ์เห็นมันทํางานหเห็นอะไรแต่ถ้าเราว่างๆใจออกข้างนอกอย่างเงี้ยปัญญาจะไม่เกิดหรอกนะถ้าลงมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ให้เห็นปัญญามันก็เกิด ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรคนที่มีสมาธิเยอะๆมันจะบรรลุด้วยการเห็นทุกข์นะหมายเลขหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนสุดท้ายค่ะใจมันไม่ยอมทำในรูปแบบจะหลับอย่างเดียวดือ้อบังคับไม่ได้พาเขาร้องเพลงก็สุขและยอมบ้าง กิเลสจะพาให้คิดว่าเราทำสมาธิได้อัตโนมัติแล้วไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือทำได้คะคิดไปเองของโยมสมาธิยังมันยังไม่มีนะใจมันยังฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปได้ไดไสมาธิฟังเพลงแล้วสบายใจอะไรนะั้นสมาธิออกนอกนมันไม่ใช่สมาธิที่ย้อนมาที่กายที่ใจของเราหรอกมันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะ สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปทุกวันทุกวันนะมีเวลาว่างื่องมาก็มาสวดอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระครวาอะไรก็สวดไปเรื่อยๆดีกว่าให้มันไปคิดร้อยเรื่องผันเรื่องให้มันมาคิดอยู่ในเรื่องของการสวดมนต์อะไรย่างนี้ก็ได้นะแล้วมันจะค่อยๆสงบเองแหละถ้าปล่อยมันแล้วก็แบบใช้ปัญญานำายนะลําไปไปร้องเพลงแล้วมีความสุข พอมีความสุขเดี๋ยวสมาธิจะเกิดอะไรเงี้ยนะนี่ปัญญามันล้านะพยายามไปสวดมนต์เข้าหมดแล้วนะหมดแล้วนะแถมไม่หน่อยไม่ฉีที่นั่งแถวที่สองเนี่ยนะใจมันไม่เข้าฐานลองหายใจสิอย่าบาังคับจิตนะหายใจเฉย รู้สึกถึงการหายใจไปทำตอนนี้เลยมันสบายไปเนมสบายอย่างนี้มันออกนอกใจมันไม่เข้าฐานนะต้องหายใจรู้สึกตัวสบายๆทำตอนนี้เลยหลวงพ่อจะได้พาดูว่าถูกยัง อย่าบังคับตรงนี้บังคับจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมดูออกปหรือยังดูไม่ออกหรือไม่แน่ใจคือใจนี้มันต้องมีสมาธิตั้งมัน่น ไม่ใช่ใจสบายอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันเลยไม่มีกิเลสทันทีนั่นใจมันต้องเข้ามาอยู่กับตัวเองเนี่ยหาย ใ, ใ, ใจไปเรื่อยๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปนี่นมันจะค่อยๆกลับมาแต่ว่ามันมีเคล็ดลับอันหนึ่งถ้าใจเราว่างๆอยู่ข้างนอกเนี้ยหายใจแล้วก็อย่าไปดึงมันไม่ใช่เนี่ยนะมันจะไม่มาหรอก มันเจอได้แต่ความอึดอัดไม่ชีไปปรับตัวนี้นะเงั้นไปไม่ได้หรอกสมาธิไม่พอไม่ถูกอ้าวเชิญ